เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่เจ็ดวันที่สิบสารางวัลที่หนึ่งวันอาทิตย์นี้ฉันทำตามความตั้งใจคือขึ้นเครื่องบินไปภาคเหนือด้วยเจตนาจะไปกราบพระภิกษุผู้สอนคำเดียวถึงกับทำให้ฉันนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ทันทีไม่มีอะไรมากกว่าการรับคำสั่งสอนเพิ่มเติมเพื่อความไม่มีมานะ เพื่อความไม่หลวงในการยกระดับจิตวิญญาณพ้นผ่านสภาวะปูตุชนระหว่างนั่งอยู่บนเครื่องฉันอ่านหนังสือพิมพ์ยอดขายดีตีตลาดระดับชาวบ้านทั่วไปฉบับหนึ่งเห็นข่าวคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซึ่งลงข่าวใหญ่หน้าหนึ่งอยู่เป็นพักๆอาจเพื่อเพิ่มความหวังให้กับนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศที่มักมีความสดชื่นกับฝันลมๆแ้งๆทุกครึ่งเดือน ส่วนใหญ่คนที่ถูกจะปิดบังกันมิดเม้นเพื่อป้องกันการถูกตีหัวโดยไม่รู้ตัวมีเพียงบางส่วนเล็ดลอดเป็นข่าวออกมาได้จะด้วยความจมูกไวของคนหนังสือพิมพ์หรือเหตุผลกลใดก็ตามทีอะไรบางอย่างทำให้ฉันอ่านข่าวนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศรางวัลที่หนึ่งของงวดประจาวันที่หนึ่งกรกฎาคม ปรากฏว่าชาวจังหวัดพิษณุโลกฮือฮากันใหญ่เนื่องจากทราบว่าหมวดหมายเลขรางวัลประจำงวดถูกส่งให้ยีปัวมาขายในพื้นที่ของจังหวัดจำนวนมากแต่ไม่มีใครทราบว่าผู้โชคดีสุดขีดที่ซื้อไปเป็นใครบ้างกระทั่งเพิ่งเป็นที่เปิดเผยว่าช่างประปาในเขตจังหวัดนั่นเองเป็นหนึ่งในผู้ซื้อไปถึงสองคู่ร่ารวยเป็นเงินแดหลักทันที พออ่านข่าวแล้วใจหนึ่งก็รู้สึกยินดีกับช่างประปาเพราะทราบว่าการเป็นช่างประปานั้นเหนื่อยยากเมื่อเป็นแล้วหลายคนมักทำไปทั้งชีวิตแม้ภายหลังมีเงินพอจะมีร้านของตนเองส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้แต่ก็ไม่มีใครเต็มใจอยากมาช่วยหากได้เงินสดมาแล้วใช้เป็นก็ย่อมหลุดจากวงโครจรชีวิตอันยากลาบากทันทีจิตของฉันมีความคงนิ่งในลักษณะหนึ่ง ที่บันดาลให้ปิดตาลงแล้วถามจิตเหมือนยิงกระสุนคำถามเข้าไปที่กลางจอขาวอันราบเรียบว่าพวกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทำบุญอะไรมาและน่าสงสัยว่าถ้าเคยทำบุญขนาดได้ลาบลอยยิ่ยงใหญ่เห็นปานนี้เหตุใดจึงมาเกิดในพื้นเพร ค, ครอบครัวค่อนข้างอัตคัดกันได้ในความสว่างว่างอันปราศจากความคาดหมายใดๆ คล้ายแผ่นน้ำสงบถูกก้อนหินกระทบแล้วปรากฏความกระเพื่อมขึ้นเพียงแต่ในที่นี้ไม่ใช่การกระเพื่อมขึ้นเป็นวงลูกคลื่นทว่ากระเพื่อมขึ้นเป็นนิมิตคล้ายเงาเลือนรางที่ท่าผิวน้ำฉันเห็นเขาของชาวบา้านป่านั่งผนวมมือกับพื้นและเขาเงาของพระทุดงยืนให้พรออยู่แต่เหมือนมีตัวบอกออกมาจากทั้งนิมิตนั้น เป็นความเข้าใจถึงใจที่ยากจะอธิบายเป็นภาษาฉันรู้แต่ว่าช่างประปาเคยเป็นคนบ้านป่าที่เดินมาพบพระธุดงโดยบังเอิญแล้วเกิดความเลื่อมใสในความสงบสำรวมสง่างามยิ่งจึงถวายข้าวปลาที่เอาติดตัวมาใส่บาตรท่านจนสิน้นไม่เหลือไว้สำหรับตัวเองเลยไม่กลัวเลยว่าจะหิวโหวยอย่างไร ความจริงข้าวปลานั้นมีปริมาณเพียงน้อยแต่ใจที่ไม่กลัวหิวไม่กลัวอดกับทั้งเลื่อมใสในจริยาอันสงบสำรวมและราสีผ่องใสของพระทุดงยิ่งจึงบังเกิดปีติล้นพ้นอยู่เป็นนานนับวันชนิดร่างกายแทบไม่หิวโหวยเลยเรียกว่าเป็นใจที่ยิ่งใหญ่เกินธรรมดาอีกทั้งเผอิญพระทุดงนั้นเป็นผู้มีจิตอันบริสุทธิ์ปราศจากมนทิน จึงเกิดเป็นกำขาวติดตัวมาให้ผลหลายชาติแล้วโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะหมดลงง่ายๆเสียด้วยเวลากรรมจะให้ผลมักเป็นไปในทางลาบลอยบางครั้งได้มาเฉยๆบางครั้งจากการเสี่ยงดวงกรรมขาวของเขามักชนะกรรมขาวประเภทเดียวกันของคนอื่นๆในช่วงเวลาที่ต้องแข่งวาสนากัน โดยช่วงเวลาเหมาะสุดในชาติหนึ่งๆของเขาจะเป็นต้นชีวิตเนื่องจากมีจิตหนักแน่นคิดทำทานทันทีที่เห็นพระทุดดวงโดยบังเอิญอย่างไรก็ตามอดีตคนบ้านป่า น, นั้นโดยปกติมีจิตระนีไม่ได้มีใจคิดให้ทานเป็นนิดจะทำบุญต่อเมื่อมีความเลื่อมใสใหญ่ๆและมักจะเป็นไปในทานองบังเอิญพบเขาติดนิสัยทาบุญโดยไม่ตั้งใจไว้ก่อน จึงบังเอิญเจอบุคคลหรือเหตุให้ทำโดยบังเอิญบ่อยๆแต่กรรมที่ตรหนีเป็นประจำเป็นอาจินกรรมนั้นให้ผลหนักแน่นกว่าคือส่งให้ไปเกิดในตระกูลที่ไม่ร่ำรวยต่อเมื่อเติบโตขึ้นแล้วจึงได้ลาบลอยก้อนโตอยู่เสมอเสมอฉันลืมตาขึ้นสิ่งที่ปรากฏในนิมิตจะเป็นเพียงมายาทางจิตประการใดก็ตามที อย่างน้อยก็ทำให้ฉันปลงโลกคำว่าบังเอิญไม่มีมีแต่คำว่าเพราะทำเหตุอย่างนี้จึงเกิดผลอย่างนั้นเพราะทำเหตุอย่างนั้นจึงเกิดผลอย่างนี้ทำในสิ่งที่เป็นบุญคือกรรมขาวทำในสิ่งที่เป็นบาปคือกรรมดำทำในสิ่งที่จะลอยทั้งบุญและบาปให้หมดคือกรรมไม่ดำไม่ขาวได้แก่การเจริญสติปัฏฐานสี่ อันมีพระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกทางไว้โดยชอบฉันน้อมจิตนึกถึงอดีตคนบ้านป่าซึ่งเป็นช่างประปาในชาติปัจจุบันสัมผัสถึงกระแสะความฟุ้งซ่านแน่นทึบเมื่อเห็นซึ้งเข้าไปในจิตใจอันวุ่นวายของปุตุชนผู้สวยบุญใหญ่ด้วยความไม่รู้แทนที่จะเกิดใจริษยาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแบบเขาบ้างก็กลายเป็นสลดสังเวชเสแทน ฉันไม่พยายามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อไปแต่แค่เห็นสภาพจิตอันเป็นปัจจุบันก็แทบอยาครวนคลางออกมาแล้วว่าทุกหนอวุ่นวายจริงหนอเทียบจิตเขากับฉันแล้วก็ตรหนักว่าตัวเองเพิ่งได้ของดีที่สุดในโลกคือจิตอันรู้ จ, จักความสงบเย็นเช่นนิพพานแค่นึกถึงก็ปิติซานเย็นไปทั่วทุกตารางนิ้วในร่าง เมื่อน้อมสู่ความว่างก็หมดอะไรใหญ่ดีในโลกเสียได้เหลือแต่ความสงบตื่นรู้สว่างโพลงเท่าทันสัจจะความจริงทั้งฝ่ายทุกและฝ่ายดับทุกว่าเป็นอนัตตาถามคนในโลกว่าถ้ามีคนเสกให้จะเลือกอะไรระหว่างลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับความสงบร้อยทั้งร้อยต้องบอกว่าจะเลือกรางวัลที่หนึ่งเพราะชั่วชีวิตของคนในโลก รู้จักแต่ความสุขที่ได้จากสิ่งกระทบภายนอกไม่เคยลิ้มรสความสงบอย่างแท้จริงจากจิตใจเอาเลยดังนั้นเมื่อพูดถึงความสงบจึงพลายไปนึกถึงความแห้งแล้งของสถานที่กลายชุมชนหรืออย่างมากก็ความสบายใจหลังยกภูเขาลูกใดลูกหนึ่งออกจากอกเสดได้แท้ที่จริงแล้วความสงบทางจิตความระ ง, งับอาการทยานอยากของใจสำเร็จนั้น ให้รถอันล้ำลึกเกินจินตนาการนาเศร้าที่ให้ลองลิ้มกันง่ายๆไม่ได้ต้องแลกด้วยแรงกายแรงใจรวมทั้งห่วงเวลาช่วงหนึ่งในชีวิตที่ไม่ค่อยจะมีมนุษย์หน้าไหนอยากยอมสละให้เพียงเพื่อทดลองลิ้มรสอันยังไม่เคยรู้นั้นสำหรับฉันถ้าตายตอนเนี้ก็ไม่เสียใจแล้วแต่คนได้รางวัลที่หนึ่งคงยังทาธุระไม่เสร็จ ยังต้องเสียดายชีวิตไปอีกนานที่ต่างประเทศเคยมีข่าวน่าสลดของชายคนหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกรางวัลใหญ่ทํานองนี้แต่เกิดโศก น, นาฏกรรมต้องมาด่วนตายจากโลกไปซะก่อนจะได้ใช้เงินแค่คิดฉันก็ไม่รู้สึกเสนอหาในลาบรอยของใครแล้ว